ทรงห้ามขอบาตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุไม่รู้ประมาณออกปากขอบาตรเป็นอันมากจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนัโมฆะบุรุษเหล่านี้จึงไม่รู้ประมาณ